บทพาชณีสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้372ภิกษุพิสสร้างวิหารที่สงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบัดทุกกฎสองตัวกับอวบัดสังฆาทิเศษหนึ่งตัวภิกษุสร้างวิหารที่สงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัิทุกกฎกับอบัิสังฆาธิเศษ ภิกษุสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎกับอบัตสังฆาธิเศษภิกษุสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังฆาธิเศษสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพ mm ื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัต สั่งสร้างวิหารทรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้373ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราผู้รับคำสั่งสร้างวิหารที่ทรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังฆาทิเศตหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎกับอบัตสังฆาทิเศต เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฏกับอาบัตสังคาธิเศตเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังคาธิเศตสั่งสร้างวิหารสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราผู้รับคําสั่งสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตหลีกไปไม่ได้สั่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้374ภิกษุสั่งว่า จงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังฆาทิเศษหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎกับอบัตสังฆาธิเศษ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกขกฎกับอบัตสังคาธิเศตเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังคาธิเศตหลีกไปไม่ได้สั่งสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบ ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงแสแดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัติทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสร้างผิดคำสั่ง สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้375ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบคูรับคําสั่งสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้ draining, นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นพึงไปเองหรือสงทูตไปบอกว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบถ้าไม่ไปเองหรือไม่สงทูตไปบอกต้องอาบัติทุกกฎวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้และต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย วิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้และต้องมีบริเวณโดยรอบวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้หากไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องเอาบิทุกกฎสร้างผิดคำสั่งสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบ รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าขอสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่าวิหารนั้นต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบต้องเป็นที่ไม่มีอันตราย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 เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกฎสตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกิุผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกฎ สร้างผิดคำสั่งสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษูสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผ ร, รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงแสงดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิกษุผู้สร้างต้องเอาบัตรทุกกฏสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิษสผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิษสผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างค้าง3 7 7ภิกพิษสสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไป ผรับคำสั่งสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างข้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้วิหารนั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอบัตทุกกฎสตัวกับอบัตสังฆาธิเสษหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎ กับอวบสังฆาธิเศธเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบทุกกฎกับอวบสังฆาธิเศธเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบสังฆาธิเศธสงส่แสดงพื้นที่ให้สร้างค้างภิสูุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคําสั่งสร้างวิหารที่สงส่แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาเพื่อให้วิหารนั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอบัตรทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตรทุกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตรทุกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติสร้างค้างสร้างต่อ378วิหารตน ouais. we สร้างค้างไว้ภิกษุสร้างต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอาบัดสังฆาทิเศษวิหารตนสร้างค้างไว้ภิกษุใช้ชื่อผู้อื่นสร้างต่อจนสําเร็จวิหารที่ตนสร้างค้างไว้ภิกษุใช้ผู้อื่นสร้างต่อจนสําเร็จต้องอาบัดสังฆาธิเศษ วิหารผู้อื่นสร้างค้างไว้ภิกษุสร้างต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอบัตสังฆาธิเศตวิหารผู้อื่นสร้างค้างไว้ภิกษุใช้ผู้อื่นสร้างต่อจนสําเร็จต้องอบัตสังฆาธิเศต